ถูกระบุควบคู่กันเสมอสเงเเียมหมายถึงเจียมใจคือทนได้อย่างสงบสเสงเเหนยมเพราะว่าถ้าทนได้อย่างดุเดือดแล้วก็ไม่งามเป็นการทุรนทุรายมากกว่าความสเสงเเหนยมถ้าไม่มีความอดทนก็กลายเป็นความไม่กล้าสู้ชีวิตถดถอยผู้เท่าหรือแม้แต่หนุ่มสาวที่มีความทาราหดอดทนและทนได้อย่างดี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 อาจเอาเปรียบเก่งด้วยซ้ำไปในเมืองจีนนั้นเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ชขงจื้อเป็นหัวแถวของชนชั้นนักศึกษาปรากฏว่าชนชั้นนักศึกษาได้รับการรับรองมากตั้งแต่พันปีแล้วมารุ่ น, ร, นรุ่นสมัยพุท ธ, ธกาลที่จริงชาวบ้านทั่วไปมีความฉลาดอยู่ตามทางของเขาเวลานั่งแท็กซี่ ผมชอบที่จะซักไซหาความรู้กับคนขับเขาวิจารณ์รัฐบาลให้ฟังอย่างแม่นยำเขาก็จนชีวิตอย่างแท้จริงในขณะที่นักศึกษาหรือศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีชีวิตอีกแบบหนึ่งในชีวิตมนุษย์เรานั้นศรัทธาและการกระทำจะต้องมาด้วยกันถ้าศรัทธาและการกระทาแตกแยกกัน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 ยอดยาใจในถ้ำกลางความสงเศร้านั้นมีสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชวนชื่นใจบทสโลกสั้นๆนี้คงพอสื่อความหมายได้สิ่งที่หายากยิ่งคือมิ่งมิรเพื่อนจริงๆนั้นหายากไม่ใช่ง่ายเลยอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะหวานซื้อมิรได้เราเอาเงินไปให้เพื่อนมารักเรา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 และตรองดี